ลำดับตอนนี้ไปก็จะนำเรื่องพระจักคูบาลมาแนะนำในการปฏิบัติแก่ท่านลำรับในตอนนี้ก็ขอต่อจากตอนก่อนเพื่อในตอนก่อนนั้นจะหยุดลงไว้ตอนที่พระจักคูบาล ได้ น, นัดหมายกับรรดาพระบิณฑบาตทั้งหลายที่ปรึกษากันว่าพรรษานี้เราจะปฏิบัติในอันใดอิทธิบทตใดบ้างกัมมัดาพระทั้งหลายที่เป็นลูกน้องก็กราบเกลยนว่ากระผมจะอยู่ในอิทธิอิทธิบทตสี่ขอรับอิทธิบทตสี่คือการปฏิบัติการนั่งเดินยืนนอนเจ้าสี่อิทธิบท ก็ได้ว่าสําหรับพระจักรุบาลและท่านมหาบานจําชื่อให้ดีนะครับในที่นี้ในพระบาลีท่านให้ชื่อว่าพระจักรุบาลบ้างชื่อเดิมว่ามหาบานบ้างในแต่ว่าในที่บางแห่งท่านเรียกตัวท่านเองชื่อว่าปาริตตาบ้างเพรได้โปรดจะฟังสับสนกันเป็นอันว่าเมื่อพระเทระ ได้รับความอย่างนั้นก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นตัวฉันเองจะอยู่ในอิทิยาบทสามคือนั่งยืนเดินแต่ความจริงอาการอย่างนี้รู้สึกว่าแปลการที่เป็นการเบียดเบียนกายเกินไปสําหรับท่านหลายผู้เป็นนักปฏิบัติไม่ควรจะปฏิบัติตามนี้ แต่ว่าที่พระจะคุมบาลท่านได้เป็นอรหันต์ได้ถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ผมบอกแกท่านทั้งหลายบอกว่าไม่ควรท่านอาจจะเห็นว่าเป็นการคัดค้านความดีของท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านนี้ก็ต้องขอตอบท่านบอกว่าจงเว้นส่วนสุดสองอย่าง ขึ้นหนึ่งอัตตะกิริมัฏฐานโยคที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าถ้าการปฏิบัติเบียดเบียนตนมากเกินไปจะไม่เป็นปัจจัยให้มันเกิดมรรคผลลำบากเครียดอีรกรลยการหนึ่งสําหรับการมสุขานิการโยคคือย่อหย่อนเกินไปก็เป็นปัจจัยไม่เกิดผลในความดีเช่นเดียวกันการมสุขานิการโยค กามะแปลว่าความใคร่เวลาปฏิบัติอยากจะสาเร็จแบบนั้นอยากจะได้แบบนี้นนมีแปรอารมณูพุสร้างแปลการเขาตัณหาแระปฏิบัติเพื่อละตัณหาแต่ว่านำตัณหามาแล้วเข้าไปใส่ไว้ในใจเราก็ละไม่ได้ก็กาลายเป็นครบตัณหาไป ควรปฏิบัติเป็นมัชฌิมาปฏิบัติธาพอทำใจให้สบา ย, บายให้กายกายให้สบายให้ทุกนักนี่ไม่เป็นการนี่เป็นการสมควรจะเป็นเหตุบรรลุมรรคผลแต่ว่าที่พระจักขุมบาลต้องทำอย่างนั้นเพราะกฎของกรรมของท่านทึงท่านนันหลายจะได้รับฟังในการข้างหน้าตามพัมบาลีกล่าวไปว่าเมื่อท่านมหาเถระเือจักขุมบาล นับตังแต่บัดนั้นบรรข้าบรรษาเป็นต้นไปแท่งก็ไม่ยอมไม่ยอมนอนทั้งสิน้นคำว่าไม่ยอมนอนนี่แปลว่าถือเนสัตชิแต่ความจริงเนสัตชีนี่เขาถือก็เป็นจังหวะจังหวะ <c oughs> เวลาใดที่เราจะนั่งตามปกติเราคนนั่งแต่แ้าว่าไม่เป็นการทรมานตนเกินไปเอาแต่พอดีพอควร ไม่ใช่เวลาให้เครียดเกินไปอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าพระพเจากคุมบาล น, นี้รู้สึกว่าหนักมากนี่เป็นกฎข้องกรรมของท่านให้กล่าวตามพระบาลีว่าเวลาเมื่อหนึ่งเดือนผ่านไปโรคก็ขึ้นแก่ในตาของท่านน้ำตาไหลเป็นสายน้ำออกทั้งสองข้างเหมือนกับสายน้ำที่ไหลออกจากหม้อทะลุ ท่านบำเพ็ญเพียรสมณธรรมตลอดกลางคืนราตรีทั้งสิน้นในเวลารุนขึ้นเข้าในห้องเป็นนั่งแล้วปฏิบัติต่อไม่ยอมนอนในเวลาวิขาจาร์คือเวล า, า, าปินดาบัดปันดาพิสุทิ์ทั้งหลายที่เป็นลูกสิทธิอีกหกสิบลูกเข้าไปสู่ในสำนักของพระเถระแ ล, ะล้วกราบเปลี่ยนว่าง ท่านเจ้าข่าเวลานี้เป็นเวลาที่ขายจารขอรับพระเทรศก็ตอบว่าอะงนั้นหรือถ้าอย่างนั้นแล้วก็ท่านทั้งหลายท่านผู้มีอายุเอาผ้าท้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงถือบาดระควอนของผมออกไปเมื่อกล่าวตรงนี้แล้วก็ให้เธอทั้งหลายถือบาดระชวอนของตนออกไปแล้ว บันดาพิสุทั่นไหลายเห็นตาข้างสองของท่านมีน้าตาหนองอยู่มีความสงสัยที่ในกราบเพียนถันว่าพระคุณเจ้าขอรับในตาของท่านเป็นอะไรขอรับพอาเทระผู้มีจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุลมมันแทงตาของผมมันดาพิสุทิ์นั้นไหลจึงกล่าวว่าท่านขอรับ หมอปรบารณาละไว้ไม่ใช่หรือขอรับเราควรจะไปบอกหมอดีไหมท่านตอบว่าดีแล้วท่าน่างไหลเมื่อบรรดาวิสุทธิ์นางไหลได้รับทราบอย่างนั้นก็ไปบอกให้แกหมอคึอรับอนุญาตแล้วก็ไปบอกแกหมอหมอเขาก็หงน้ำมันตรงไปถวายท่านพระเถระเมื่อหยอดเวลาจะหยอดํามัน หยอดในจมูกหมอนี่ก็แปลกเหมือนกันโรคเกิดขึ้นที่ตาแต่ว่าหมอให้หยอดน้ามันในจมูกก็ต้องคิดเพาท่านเป็นหมอแต่ว่าเวลาที่จะหยอดน้ำมันท่านนั้นนั่งหยอดท่านผู้รับฟังก็คิดดูว่าท่านนี่ท่านถือสัจจะในนิสสชีจริงๆเมื่อเวลาจะหยอดน้ามันไม่ยอมนอนหยอด นั่งหยอดแล้วน้ำมันมันจะเข้าไปยังไงก็ไหลออกหมดมนั่งหยอดแล้วก็เที่ยวเข้าไปในบ้านคําว่าเที่ยวไปในบ้านก็นหมายว่าไปเป็นําบาทมอยเห็นท่านยังเรียนถามว่าท่านรับไปยินว่าลมทางตาของท่านาลมทางตาของพระพป็นเจ้าใช่ไหมครับพระเทระก็ตอบว่าใช่ทัมบาสก ม อ, อยังถามว่าท่านโยค่าถ้าผมหุงน้ํามันส่งไปถวายถ้าคุณเจ้าได้หยอดทานจมูกแล้วหรือขอรับพระเทระก็ตอบว่าหยอดแล้วทั้วบาศกหมอถามว่าเดี๋ยวนี้อาการเป็นอย่างไรครับพระเทระก็ตอบว่ายังแทงตาอยู่แอาการยังเจ็บยังปวดอยู่มันยังไม่คลายตัว หมอคิดจะโงนในใจแจ้าเขาคิดว่าเราส่งน้ำมันไปเพื่อรักษาให้ระงรับให้หายได้ด้วยการหยอดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ถ้าว่าเหตุเช่นไหนแต่คุณจเจ้าโรบนี้จึงบอกว่าอาการของโรคนี้มันยังไม่หายน่าแปลกใจจจงไในเรียนถามต่อไปว่าท่านเจ้าค้า น้ำมันนั้นพระคุณเจ้านั่งหยอดร่วนนอนหยอดก็รับพระเถระฟังแล้วก็นิ่งเสี ย, ยเพราะอะไรเพราะน้ำมันมันต้องนอนหยอดแต่ว่าท่านแอบไปนั่งหยอดเมื่อไหลหมดแม้จะหมอจะซักถามยังไงก็ตามท่านก็ไม่ยอมพูดหมอจึงนึกในใจว่าถ้าอะไรก็ดีเราจะต้องไปดูที่อยู่ของพระพเป็นเจ้าด้วยตนเอง น่าจะในเหล็กละจากพระผู้เป็นเจ้าไปไปดูวิหารที่ท่านพระผู้เป็นเจ้า พ, พักอยู่คำว่าวิหารนี่จะไม่ดีว่าเป็นที่ยอยู่แม้จะเป็นกระท่อมเล็กๆเขาก็เรียกวิหารนวิหาระในแปลว่าที่อยู่ไปตรวจดูที่นั่งที่นอนของท่านเห็นแต่ที่นั่งกับที่เดินไม่มีที่นอน ยังได้มีความเข้าใจว่าหลวงพ่อองค์นี้ท่านไม่นอนแน่แล้วท่านนั่งหยอดจมกูกเจ้าได้เรียนถามได้่ว่าท่านเจ้าขาน้ำมันนั้นพราคุณเจ้านั่งหยอดถ้าว่าหรือนอนหยอดอะเทระก็ไม่ตอบท่านคนหนึ่งหมอก็อ้อนวอนซ้าว่าท่านพูทเจริญขอท่านอย่ได้ทำอย่างนั้นธรรมดาวาสมนธรรม ในเมื่อร่างกายยังเป็นไปอยู่คือว่าชีวิตยังทรงอยู่อาจจะทำอะไรคนได้ขอว่าคุณเจ้าคุณนานนอนและก็หยอดน้มันตาจะด้หายถึงสำรับพระเถระเดินตอบว่าคุณหมอไปก่อนเอถิดพ้าบเจ้าจะปรกษาเพื่อนดู ก, ก่อนความจริงคำว่าเพื่อนของท่านในที่นี้มันไม่มีใคร ญาติพี่น้องของท่านก็ไม่มีจะมีแค่แต่บรรดาพระภิกษุของท่านหลายที่อยู่ร่วมกันแต่ท่านก็ไม่ปรึกษาพระพวกนั้นท่านย่องไปปรึกษากับร่างกายของท่านถ้าปรึกษาแบบนี้ว่าท่านปรึกษากับร่างกายอยู่แบบนี้ว่านี่ในปาลิตตะอย่าลืมในขอรับปาลิตติท่านเรชีของท่านเอง ว่าปาริตะผู้มีอายุท่านจงว่ามาก่อนที่ว่าท่านจะเห็นกระลุกตาหรือว่าจะเห็นแก่พระพุทธศาสนาก็สังสารวัตรอนหาที่สดมีได้อันใครใครตามคนไปให้รู้ถึงที่สดไม่ได้การขึ้นานานับตัวคนท่านผู้บอดด้วยจ่ากตัวหามีไม่ นี่หมายความว่าสังสารวัตรคือการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันไม่รู้จักจบขนาดใดที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์สร้างความดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาหรือผมหมดจากบุญวาสนาบารมีบารมีในการเป็นเทวดาหรือผมก็มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ากรรมชั่วยังติดตามเราอยู่เราก็ไปเกิดในอบายภูมิ นี่มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยท่านบอกว่าจะนับถ้าท่านเป็นผู้มีจักสุบอดแบบนี้หมายความในใช่ก่อนๆนะเคยตาบอดมาแล้วนั บ, นาานบคะแนนไป่ทนทำไมจึงจะมาสนใจกับไอตาบอดชาติเดียวเทียบพานิพานกันนี่ได้คิดอย่างนี้แล้วคิดต่อไปว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็ล่วงไปแล้วหลายร้อยหลายพันพระองค์ในพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระพุทธเจ้าแม้แต่องค์เดียวก็ไม่เคยกําหนดได้ว่าอที่แท้ไม่เคยกําหนดได้ว่าสังสารวัตนี่มันจะไปจบลงตรงไหนถ้ายังไม่หมดกิเลสแต่ว่าท่านผูกใจไว้เดี๋ยวนี้เองว่าจยากไม่นอน จนตลอดเวลาสามเดือนตามสัจจะ ท, ที่ให้ไวเอจนั้นจะสุขของท่านเองจะจิบหายจะแตกเสียก็ดีจะพังไปก็ดีก็ตามใจมันเถิดเราจะไม่สนใจกับร่างกายกับจักสุขเราจะสนใจกับศา ส, สนาอย่างเดียวคือมุม่งมักงมุ่งผลให้ถึงให้ถึงเป็นพระอริยชนคือเป็นพระอราหันต์เข้าสุขนิพานให้ได้ นี่ท่านนั้นหลายฟังแล้วก็ต้องดูทั้งน้ำใจของพระเจดคุบาลแต่ผมให้ดูน้ำใจอย่างเดียวนะผมไม่ได้แนะนาให้ท่านไหว้ต้องนั่งอย่างพระเจดคุบาลต้องทรมานอย่างนี้เองถือพป็นกำลังใจว่าร่างกายนี้ไม่สำคัญส่วนใบกรอบของร่างกายก็ไม่สำคัญมันจะพังมาไรก็เชิญให้มันพังไป เราจะให้มันพังมันก็พังเราไม่ให้มันพังมันก็พังถ้าวนจะพังไปตามสภาพของมันก็เชิญเถิดปล่อยให้มันพังไปกําลังใจของท่านนันไลายถ้ามายึดอยู่ในร่างกายเมื่อไหร่เมื่อนั้นท่านเป็นพระอรหันในพระบาลีกล่าวว่าท่านกล่าวเป็นภาษิตว่าจักษุคือในตา ที่ท่านถือว่าเป็นของตัวนี่ท่านเตือนตัวของตัวเองมันจะเสื่อมไปก็เชิญเถิดแลหูมันจะเสื่อมไปก็เชิญเถิดกายนี้ก็ไมันกันมันพังไปมาอะไรก็เชิญฉันไม่แย่เสียกับเธอเธอเป็นแดงของความทุกข์ฉันไม่ต้องการ แม้สรรพสิ่งทั้นหลายที่เราอาศัยมันอยู่คือวัตถุธาตุทั้งหลายอันเป็นเรือนร่างหรือวิหารเนี่ยของใช้ทั้งหมดมันเย่อเสื่อมมันจะสลายตัวอย่างไรก็เชิญให้มันหมดไปเพ่งกล่าวต่อไปว่าปาริตตะเอเชไนท่านจริงประมาทอยู่อยากสุที่ท่านถือว่าเป็นของตัวมันย่อเสุเอมมันจะสลายตัวอยก็เชิญ จะประมาจอยู่ทำไมจะเอาใจเข้าไปจดจ่อในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่ามันจะทรงตัวเพื่อประโยชน์อะไรหูก็เหมือนกันมันจะสุดลมไปยังไงก็ช่างมันร่างกายมันจะพังก็ช่างมันเชิญให้มันเต็มไปตามอธัธยาศัยแม้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายอันอาศัยกายนี้ก็สุดลมไปเสียเถิดสิ่งทั้งหลายนะ จะเป็นบ้านเรือนโรงทรัพย์สินต่างๆนี่ท่านตัดมาแล้วการตัดลาบตายศเป็นปัจัยของความสุขเป็นปัจัยของพระอรหันต์ท่านตัดมาหมดแล้วท่ากล่าต่อไปว่าปาลิตาเยเชนไหนจึงประมาทโยจากสุขของท่านที่ท่านถือว่าเป็นของตัวมันจะแตกมันจะพังก็เช่นหูมันจะเสียงก็เช่น เนื้อรูปที่เป็นเหมือนกันอย่างนั้นน็่คือร่างกายมันจะพังก็เชิญทรัพระสิ่งที่ตนอาศัยอยู่นี้ไม่จะแตกไปก็เชิญปาริตะเหตุจะไหนท่านจึงประมาทอยู่นี่ท่านเตือนใจของท่านเือไม่สนใจในร่างกายเข้าในพระบาลีทิพองค์สมเด็จระสมาสมุทัเจ้าสอนได้ พอวางกายเซนได้เมื่อไร่แล้วก็ถึงอร่าทัตผลมีความสุขเมื่อนั้นมันวางตรงกายอย่างเดียวไม่ต้องไปวางที่อื่นถ้าวางกายได้อย่างอื่นมันก็วางได้หมดท่นานพระเถระให้โอวไหล่ตนลด้วยนนวาระทั้งสามครั้งอย่างนี้แล้วได้นั่งนั่งเอาน้ํามันเป่าเข้าจมกูกแล้วยิงเข้าไปวินธ บ, บาตหมอเห็นแล้ว ท่าถามว่าท่านยกหางท่านเป่านะ้ำมันเข้าในจมูกแล้วหรือยังพระเถรสก็ตอบว่าเป่าแล้วท่านมุบาศกหมอถามว่าเป็นยังไงบ้างครับท่านก็ตอบว่ามันยังเสียแทงอยู่หมอถามว่าท่านนั่งหยอดหรือว่าท่านนอนหยอดตอนนี้ท่านก็นิ่งเสีย ท่านกล่าวว่าแม้แต่หมอถามซ้ำๆ ซ, ซ, ซักแท้ท่านก็ไม่ตอบขณะนั้นหมอกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญท่านไม่ทำความสบายตั้งแต่วันนี้ขอท่านอย่าได้กล่าวว่าหมอคนนี้หงน้ำมันถวายท่านแล้เขากับผมก็เช่นเดียวกันจะไม่กล่าวว่าผมหงน้ำมันถวายพระพุทนเจ้าเพราะเกรงว่าจะเสียชีว เพราะด้วยน้ำมันที่จะไหวไปนี้ถ้าหยอดมันจะูหมเพียงครั้งเดียวเท่านั้นขท้ า, าท่านนอนหยอดมันก็จะหายทันทีนี่ยาเขาสักจริงจริงพระเทระมาถูกหมอบอกเลิกแล้วก็กลับไปโสวิหารคิดในใจว่านี่เธอผู้ก็ตัวเองเวลานี้หมอเขาก็บอกเลิกแล้ว เนยได้ละอดียบทีนะเธอเป็นสวรรค์เธอเป็นผู้สงบเธออย่าไปยุ่งกับขันห้าขันห้ า, หาลูกตามันจะเป็นยังไงก็เชิญเราต้องการอย่างเดียวคือพระพุทธศาสนาคำว่าพระ พ, พุทธศาสนาแปลคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาแปลคำสอน วาจาใดที่พระพุทธเจ้าสอนมาแล้วเวลาวาจานั้นเราจะส่งไว้ไม่ยอมละถ้าท่านกกล่าวเตือนใจท่านบอกว่าปาลิตะท่านถูกหมอก็บอกเลิกจากการรักษาแล้วหมอก็าทิ้งเสร็จแล้วเที่ยงเจวต่อมัจจุราชสช่ไหมว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนว่าร่างกายมันกายมันจะพังมันจะตาย เหตุจะไหนท่านริงประมาทอยู่เล่าเร่งรัดในการทำสมณธรรมให้ยิ่งขึ้นเมื่อตักตนตักเตือนตนแบบตนเองแบบนี้แล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมลำดับนั้นพอมัจฉิมยามล่งไปแล้วดวงตาของท่านและกิเลสก็แตกพร้อมกันคือลูกตาก็บอดกิเลสก็ดับ เป็นพระรหันต์ท่านบกก่อนไม่ก่นแล้วไม่หลังจากกันใกล้ดวงตาแต่กับความเปรีพระรหันต์พร้อมกันพอดีเพราะอาศัยที่กําลังใจตัดวัาตากดดีหูกดดีร่างกายกดดีขอที่เน่งกดดีมันจะพพงก็จัง่งมันฉันไม่สนใจท่านเป็นพระรหันต์ขั้นสุ ข, ขวิปัสสโกเข้าไปโซนในห้องที่นั่งแล้วยังไม่นอน เพราะมันยังไม่ครบสามเดือนไม่เวลาวินาบาตบรรดาวิสุทธนนหลายไปเรียนท่านว่าท่านผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาพิขาจาริครับพระเทระถามว่าถึงเวลาบินาบาตแล้วหรือท่านผู้มีอายุทางหลายที่สุดนั่นหลายก็กลับกล่าวเปลียนว่าถึงแล้วครับ พระเถระจึงกล่าวว่าถ้ายอย่างนั้นพ น, นันหลายไปเถิดผมไปเถิดผมไปไม่ไหว <c oughs> ที่สุนนหลายกล่าวว่าท่านหล่ารับท่านบวตาของผมนมันแตกไปแล้วไปไม่ไหวขอพ่านท่านนันหลายไปกันแล้วกันเธอทั้งหลายเหล่านั้นแลดูตาของพระมหาเถระแล้วต่างคนต่างก็ร้องไห้น้ําตาไหล รอบยกระวัดทูเจริญท่านอย่าได้คิดเย็นไปเลยครับพวกกระผมทั้งหลายจะปฏิบัติท่านว่าดังนี้แล้วก็ทําวัดปฏิบัติที่ควรจะทําเสร็จแล้วก็เข้าไปสู่บ้านเพื่อบินาบาสมาดายชาวบ้านทั้งหลายไม่เห็นพระมาหาเทระจึงถามว่าท่านเจ้าค่ะถ้าผู้เป็นเจ้ามาหาบานไปทานไหนจะไล้เจ้าค่ะ บรรดาพระทั้งหลายก็เรียนให้บรรดาชบบาวบ้านทราบว่าเวลานี้ถ้าตาท่านเสียเส้นแล้วมองไม่เห็นเมื่อบรรดาพวกเขาทร า, าบข่าวอย่างนั้นก็ส่งเขาต้มบ้างเขาสวยบ้างฝากทาา้าบจะหวแล้วบางคนก็ถือของท่านหลายเรานั้นไปถวายเองไหวพระเทระแล้วต่างคนต่างก็ร้องไห้กริ้งเกลียดอยู่แทบเท้าของท่าน ถ้าปลอบว่าท่านโยค่าข้าวิเจ้าทั้งหลายจะปฏิบัติท่านท่านอย่าได้คิดอย่างอื่นไปเลยในเวลากลับนับตะเจดันมาเขาทั้งหลายก็ส่งเขาต้มบ้างเขาสวยบ้างปฏิวัติท่านเป็นปกติทุกวันไม่ได้ขาดสําสหรับฝ่ายพระเถระเมื่อบรรลุอลาตากุลแล้ว ก็กล่าวสอนบรรดาบิสุบทั้งหลายหกสิบลูกทั้งหลายเหล่านั้นตลอดการตลอดสมัยหมายความว่าไม่ละในการสอนเมื่อท่านบรรลุแล้วท่านก็พยายามสอนทุกอย่างให้อาว่าอยู่อย่างนั้นขั้นจนที่จะออกวันออกปรรษาบรรดาพระอรหันต์พระบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นก็บรรลุอรหันต์ในปริสัมมิทายานทุกโลก สำหรับวันนี้มองดูเวลานี่จะต่อไปก็ต่อไม่ไหวเวลามันน้อยก็ข อ, อย้ําตอนนี้สักนิดหนึ่งว่าท่านอาจจะสงสัยว่าอาจารย์เป็นขั้นสุขบปุปวิปัสสโกแล้วก็บรรดารูกศิษย์เป็นอาหารหันต์เป็นปริสัมมีธายานอย่างนี้มันอาจจะเกินพอดีพอควรไปเพราะอะไรเพราะว่ามันน่าย่าสงสัยถ้าว่าอาจารย์เป็น ปฏิสัมมิทายานสอนลูกศิษย์ในหะ้เป็นอรหันต์ขั้นสุขบิบสโกตีวิชวชบบโชชรพิญโญมันเป็นของไม่แปลกทั้งนี้อาจา ร, ร, บบร ย, ร ย, ย, ย์เป็นอรหันต์ขั้นสุขบิบสโกเห็นผีเห็นเทวดาก็ไม่ได้แต่ทําไมมานั่งสอนลูกศิษย์เป็นอรหันต์ปฏิสัมมิทายานขอเรื่องความสงสัยสักนิดหนึ่ง ว่าระดับข้อรหัสปฏิสัมมิทายานะเวลามันน้อยผมขอพูดจำกัดหรือว่าอาพินจาหกเกือบปฏิสัมม์หรือว่าวิชาสามมันขึ้นอยู่กับฌานที่เราจะพึงปฏิบัติกวันจริงพระจักรุบาลท่านเดินยืนนั่งไม่นอน อาการแบบนี้จิตจะทรงตัวนานจนทังเข้าถึงสมาบัติแปลกจากพระองค์อื่นไม่ได้ mm hmm. การเจริญรูปฌานและรูปฌานต้องอาศัยอาการนั่งไปสําคัญเป็นพื้นฐานแล้วก็ต้องมีการพรรักผ่อนจิตสงบสงัดร่างกายต้องเป็นสุขมากเพราะการเจริญฌานเนี่ยถ้าร่างกายไม่เป็นสุขมันเจริญไม่ไหวสังเกตเอาไว้ดีว่าถ้าร่างกายไม่ดีนิดเดียว เตียงเท่านี้สมาธิจิตมันจะเคลื่อนตัวสำหรับพระจกาคุบาลท่านไม่นอนท่านนั่งยืนกับเดินแต่พระทั้งหลายเหล่านั้นถ้ามีการนอนมีการพักผ่อนให้ร่างกายมีแรงฉะนั้นการเจริญพระสมณธรรมจึงมีจิตเข้าถึงสมาบัติแปดเพื่อได้รูปฌานสี่และอรูปฌานสี่ เมื่อจิตเข้าถึงสมาบัติแปดแล้วตอนนี้แหละท่านนังไลถ้าใช้วิปัสสนาญาณเป็นคู่กับกำลังใจหมายความว่าเอาวิปัสสนาญาณคือการพิจารณาขันห้าตามที่กล่าวมาแล้วมาตามแบบฉบับของพระจ้กคุบาลหรือแบบฉบับของท่านไม่ผิด มาควบคุมการควบกับสมาบัติแปดเป็นที่พื้นฐานเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วเข้าถึงพระอนาคามีท่านผู้นั้นก็จะได้มรรลุอรหัตาผลเป็นปริสัมมิทายานถ้าถึงพระอนาคามีก็เรียกว่าพระอนาคามีปริสัมมิทายานสำหรับปริสัมมิทายานนี้เรียกว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องถึงอนาคามีก่อนจันไดแต่ตชาญโลกีไม่ได้อดัมบรไดท่านทั้งหลายคำแนะนำและความเป็นในความเป็นมาของพระเถระผู้เท่ามองดูเวลาก็หมดเส็จแล้วสำหรับวันนี้็ยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี